การที่เราได้มาฝึกอบรมฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมกันนีกน้กันก็ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีที่ทางวัดป่าของคาโดยมีพระท่านพระอาจารย์มิมนจตจตมาโรได้เป็นผู้ที่เริ่มทํามากันทุกปีญาติโยมก็รู้สึกว่ามีความสนใจกันมากขึ้นทุกปีคนเก่าบ้างคนใหม่บ้างนี่บ้างก็ค้าเข้ากันไปนี่กันไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าโมทนาในส่วนนี้ พอส่วนอื่นนั้นรู้สึกว่าคนเขาทํากันมามากสิ่งอื่นนัน้นเขาทำกันมามากที่มามากเรื่องบอกเอาเรื่องทาบุญเรื่องทําอะไรต่างๆสร้างสาระก่อะไรต่างๆสารพัดที่เขาทํากันนั้นรู้สึกว่าเขาทำกันมามากปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นรู้สึกว่าเขาก็ทํากันเยอะปลุกเสกเลี้ยนให้เป็นพระ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากจริง ๆ, ๆนี่จริง ๆ, ๆแต่ทีนี้เรามาอยู่ที่นี่มาเพื่อต้องการที่จะปลุกคนให้เป็นพระปลุกเสษคนให้เป็นพระแต่ไม่รู้ว่าจะเสกเข้าหรือเปล่านะคา <c oughs> <c oughs> ถาของครูบาอาจารย์ที่นี่ไม่รู้จะเสกเข้าไปถึงของจิตของใจของญาติของยอมหรือเปล่าเดี๋บางคนก็อาจจะเปิดรับบ้างแต่บางคนก็อาจจะปิดไว้เลยอ่าปิดไว้เลยนี่ไว้เลยปิดเทวันทั้งเก้าไว้เลย ไม่ยอมไม่ยอมรับอะไรทั้งหมดเลยมันก็ก็ยากลําบากเหมือนกันเพราะาาคาถาเนื้อสื่อมันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรในการที่จะปลุกคนให้ขึ้นมาเป็นพระขึ้นมาขึ้นมาได้นี่ขึ้นมาได้ก็น่าเป็นห่วงยิ่งพวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายาเกิดมาเกิดมาปุ๊บสิบห้าวันปับ๊บพ่อแม่ก็ไปลงที่สำนาทะเบียนบ้านว่าเป็น ชาติไทยสันชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือพุทธศาสนาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกบังคับให้นับถือพุทธศาสนากันมานี่กันมาพอโตขึ้นมาหน่อยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าวัดฟังธรรมใส่บ า, าตรยัดลงไปนี่ลงไปก็เออกระทากันมานี่กันมาสืบสืบต่อกันมานี่กันมาก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นคือพุทธศาสนามีวัดว่าอารามาตั้งสร้างบ้านอยู่ที่ไหนก็ต้องมีวัดสร้างวัดขึ้นที่นั่นนี่ที่นั่นก็ เพื่อว่าจะได้มีพระสงฆ์ข้าราชการไปจาวัดจํำวาแล้วก็อยู่ได้ทําบุญกุศลหรือไม่ได้ปัจจุบันนี้คนทุกคนเห็นพระหลายคนแต่ไม่อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้พอเห็นพระรู้สึกว่าแทนที่จะถามสนทนาธรรในเรื่องธรรมะข้อวัดปฏิบัติแต่กลับไปสนจใจในเรื่องสิ่งที่อื่นสิ่งที่นอกตัวนอกต น, อ, กต น, อ, กนออกไปเนี่ยวไป มันก็เลยยากในการที่จะเข้าใจของหลักของศาสนาแท้จริงสิ่งที่ทําให้คนหลงงมงายนั้นมีเยอะมีมากที่จะทําให้คนหลงแต่คนสิ่งที่จะทําให้คนมีความมีสติมีปัญญาสามารถที่จะดับทุกข์ของตนเองได้นั้นรู้สึกว่ามีการโฆษณาน้อยมากมีการพูดน้อยมากแม้แต่เรื่องการทําบุญให้ทานรักษาศีลรู้สึกว่าโอ้คนกันทุมทำบุญกันเยอะสังเกตดูนั่งรถผ่านมานี่ผ่านมาตามสี่แยก ที่ไหนที่ไหนก็ตามนี้ก็ตามมีการเชิญชวนฝังหลุก น, นิดนิดบ้างปลกเสกเครื่องรางของของังอะไรต่างๆสารพัดสร้างสาราสารา้สางอะไรต่างๆเลียนรายกันไปนี่กันไปไม่เคยมีป้ายไหนที่ชักชวนให้คนเข้ามาดูประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะชําระจิตใจของตนเองดูบ้างเลยหรือไม่มีป้ายที่ว่าปลูกเสกคนให้เป็นพระเลย เศกหินให้เป็นพระนึกคิดว่าเออแทนที่พวกเราก็แสดงว่าเก่งมากแล้วมาต่อไปพระพวกเราที่นั่งอยู่นี่กลับไปวัดแล้วก็ศึกให้หมดซะเนี้อพระคุณเจ้าท่านก็เสกพระเนี้ก็เป็นให้เศกหินอิดหินดินปูให้เป็นพระกลับไปเลยายเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาสังคมหลอกไปเลยถ้าเป็นพระได้จริงๆเราพระภายนอกบอกกันสร้างอย่างสับสนพระภายในคนเรานี้มองไม่เห็นจริงๆอ่ะในขณะที่พวกเราทําอยู่ในขณะนี้เนีย สร้างสติสร้างสัมปชัญญะมีความเจริญสติสัมัญญะทำไมท่านจึงให้มีความมีการเคลื่อนไหวในการปฏิบัตินั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้หรือก็ได้ไม่ว่าอะไรนั่งนิ่งก็ได้นั่งเคลื่อนไหวก็ได้ทำไมจะไม่ได้ใครจะมาจับกฎหมายก็มีบังคับหรือว่ากูบาอาจารย์ไปก็บังคับให้สร้างจังหวะอย่างเดียวหรืออย่างเดียวการปฏิบัติทำตามธรรมชาติของมนุษย์เรา มันเป็นส่วนหนึ่งแต่มนุษย์เรานั้นก็แปลกอยู่เหมือนกันพอผูนัผู้สนใจในเรื่องการปฏิบัติทุกคนก็บอกว่าเออการนั่งภาวนาหลับตาแต่ว่าคนตาบอดเขาก็ต้องการแสงสว่างแต่คนตาดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ขนาดตา ด, ดีอยู่ขนาดนี้ยังจับไม่ค่อยถูกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยถ้าเกิดตาบอดเข้ามามาจับได้นีก่ก็อีกก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนกัน ทุกคนเข้าใจว่าหลักของศาสนาพุทธศาสนานั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดที่สุดที่นั่งอยู่นี่ลองลองลองฟังฟังเสียงหัวใจของตนเองกัะสิบบ้างด้วยเงียบปกติสงบสุข อทีนี้ลองคิดไปถึงความวุ่นวายเกิดลองดูสิโอ้ยสังคมวุ่นวายอะไรต่างๆวุ่นวายเกิดที่บ้านวุ่นวายที่ไหนที่ไหนก็วุ่นวายไปหมดนี่ไปหมดเกิดความกะละหนเกิดขึ้นมากะลาหนเกิดขึ้นมาไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นว่าทุกคนต้องแม้แต่การทําบุญทุกคนก็ต้องการชําระล้างจิตใจล้างบนทินภายในจิตใจของตนเองให้ออกให้หมดนี้ให้หมดที่เรามาทําอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอก ให้เคลื่อนไหวแบบการเจริญสติแบบกายกายานุปัสนาให้มีสตินเขาเข้าไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวเพราะสภาพจิตของคนเรานั้นไม่ใช่วัตถุเหมือนอย่างแก้วน้ําเนี่ยจะน้าตั้งไวอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ได้ไปไหนแต่สภาพจิตใจของเรานะั้นเรียกว่ากวัดแก่งอยู่เรื่อยนี่อยู่เรื่อยไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมบางครั้งมนขนาขณะดจนเราสร้างนิสัยเกิดขึ้นมาว่าปล่อยให้มันคิดสร้างเรื่องสร้างราวสร้างจินตนาการออกไปนู่น จนนอกตัวนอกคนนอกกายนอกใจของเราไปคิดออกไปนอ ก, นอกตัวของเราไปทั้งหมดที่ทั้งหมดเหมือนกับเราส่องใบฉายส่องนึกสื่อมันส่ององอกไปแต่้างหน้าทีนี้เรามาอยู่ที่นี่ต้องการที่อยากจะให้คนเราย้อนกลับเข้ามาดูสภาพชีวิตจิตใจของเราลองดูเป็นกระจกส่องตนเองขึ้นมาลองดูบางคนเขาบอกถาม ic, ไม่เห็นเคยเห็ น, หนเห็นไหมเห็นหน้าเห็นตาบางไหมเห็นทําไงถึงเห็นไปส่องกระจก ก็ก็กใช่แบบนั้นก็ใช่เรงเห็นรูปร่างแต่ถ้าถ้าเรามาปฏิบัติที่ท่านให้บอกให้การเคลื Geschichte ่อนไหวตอนปฏิบัติไปปฏิบัติมาความรู้สึกตัวในขณะนี้ไม่แต่การปฏิบัติมันก็ต้องมีอารมณ์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติท่านบอกให้เดินก็เดินบอกให้ทำก็ทําบอกให้สร้างจังหวะยกมือไปเอาบึ้มาก็ทำทำไปทํามาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจบแค่นั้นแหละทั้งวันทั้งคืนบางคนบางคนยกขึ้นทั้งคืนทั้งวันเขานั่งก็นั่งก็ยกนอนก็ยก บางคนนอนหลับก็ยังฝันมายกมืออยู่เลยโอ้เอาปัานนั้นนะเกินทํามานอนหลับไปเป็นไงมีความรู้สึกไหมก็รู้สึกก็นอนหลับก็ดีเนะ <laughs> เาะเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติอนส่วนนี้บางครั้งมื่อขณะอุปสรรคมันก็มีเยอะที่เรามาทําทำไมเรามาเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้เพราะสะภาพจิตของเราไม่มีอะไรเป็นตัวถ่วงเอาไว้สมมุติว่าเรานั่งอยู่นี่เงียนั่งนิ่ง สภาพจิตของเราเนมันจะชิดอยู่ตลอดเวลานี้เวลาก็เลยอาศัยการเคลื่อนไหวมันกับเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนั้นรู้สึกว่านอนไม่ไ ม, ไม่ค่อยนอนกลางวันนี่กลางวันแต่พอมาได้อยู่ที่นี่รู้สึกมันมันปลอดโปร่งมันไม่มีภาร ะ, ะอะไรหน้าที่อะไรต่างๆที่จะทําให้เราใจิตใจเราตื่นอยู่ข้าวเขาก็เขาก็ทําไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเวลารับเวลานอ น, มนไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเดินจง ก, กมรมลูกเดียวยกมือส่ายแก้วลูกเดียวถึงเวลากินครั้งละครั้งเป้งมาตักเข้าไปชันชัอิ่มแล้วก็ไปโอ้ ไม่ต้องไปคิดไปสร้างอะไรทั้งหมดเลยบางคนเขาอยากจะให้อาจารย์นิมนต์กัดไปตลอดปีเลยจะได้มากินจะได้มากินข้าวเออกระทั่งก็อันนี้กระทั้ง ก, ก, ก็ก็แปลกดีแต่ก็ทําดูลงไปนี้ลงไปก็คนที่จะฝังอยู่ที่เรายกมือนี้ท่านบอกให้มีรู้จักรูปรู้จักนามเมื่อก่อนเราก็ให้ใจว่ารูปก็คือรูปเปนทศนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามอันนั้นทุกคนก็รู้จัก อันนั้นคือตําราที่เขาเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เนี่ยไว้แต่พอเรามาทําในขณะนี้ที่เราทํามียกมือไปเอามือมายกมือเข้าเอาบมือเข้าเอามือออกในขณะนี้รูปนามในขณะที่เราเคลื่อนไหวนี้เราเคลื่อนไหวยกไปเอามือยกมือไปเอามือมานีม้มันมีทั้งรูปมีทั้งนาม itative, ติดกันอยู่ในขณะนี้สัมผัสอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่เปื่สัมผัสกันในตัวตําราแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเราพอเราคิดพอเราปฏิบัติทําไปปุ๊บรู้สึกว่าความรู้สึกของเราพุ่งออกไปอยู่ในตำรา ตำราหน้านี้ท่านั้นนี่ท่านั้นหนังสือเล่มนั้นหน้าที่ตำนั้นว่าไปอย่างนั้นระ้ว่างนี้ไปนี่ไปเราก็ไปเอาตำรามาเป็นตัวตัวกำหนดเราไม่ได้ตัวกำหนดในการกับทำที่นี้เราไม่ต้องไปสนใจก่อนหรือตำราส่วนนั้นวางตำราไว้ก่อนไม่สมบูรณ์ก่อนมาอยู่กับความรู้สึกในขณะนี้ตัวตำรานั้นตัวตำราตัวหนังสือก็บอกเขียนเขียนบอกว่าความรู้สึกตัวตื่นตัวมีสติสัมปชัญญะอันนั้นยังไม่ไม่ใช่ตัวรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่ตัวสติที่แท้จริงตัวสติในขณะที่เราทำในขณะนี้คือพอเรายกมือขึึ้้้นนนนปุ๊เรราามมีีีีควูสกททัั ยกมือมีความรู้สึกพลิกมือขึ้นความบนลงมีความรู้สึกทันทีนี้ทันทีอันนี้คือตัวสติสมัมปชัญญะที่แท้ะที่แท้มีความรู้สึกตัวในขณะทุกขณะเกิดขึ้นทุกขณะ ท, ทุกเลยบทต่างๆทําไมเราจะทําไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอุปกรณ์ในส่วนตัวของเรามันมีอยู่ในตัวของคนแล้วแต่คนเราไม่เคยใส่ใจกับมันไปสนใจในเรื่องอื่นเรื่องยิติฤทธิเรื่องปฏิหารบางคนก็นั่งทําสมาธิอยากเห็นอิติฤทธิปฏิหารนั่งทาปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีหลายเดือนไม่รู้จะเห็นอะไร โอน่าสงสารเนาะตนเองนั่งสร้างจังหวะอยู่นี่ยังไม่รู้จักไม่เห็นจะตนเองตอนเองแล้วจะไปเห็นอะไรอยากเห็นสีเห็นแสง <c oughs> ก็ดูสิหลอดนิอนอนนะเนาะไปเพ่งไปนี่มันทําไมอยากเห็นประตูลูกก็ดูสิสามองค์นู่นไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องกับมันดูให้ชัดๆเลยนี่เลยความเป็นจริงในภาวะจิตแจกของเรานั้นแล้วไม่ยอมรับ ความสามารถความเป็นจริงในส่วนนี้รู้สึกว่าเราไม่ยอมรับนี่ถ้มันเป็นพลาดอยู่ตลอดนี่ตลอดในการเป็นในการเป็นชาวพุทธของเราเมื่อเราพาดในกับสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่ามันก็ไปตายตะเลยเปิดเป็นออกไปเนี่ยอไปฉะนั้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยการเคลื่อนกันไหวอเนี่ยพอจะรู้จักรูปนามเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามรูปโลกนาลุ่มรู้โลกรุ่ง ไปไหนแล้วลิ้นติดพันเลยรูปโรคนามโรค ก, กายของเรานั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งใจของเรามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่มีคนป่วยกับเอใจป่วยบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นมีคนคนไข้ป่วยใจทั้งหมดหลือมั้งเนาะ กายรู้สึ ก, กว่าอุดมสมบูรณ์ดีอาหารพัฒนาการนั้นรู้สึ ก, กว่ามีกินดีนี่ดีสบายแต่รู้สึกว่าใจแล้ห่อเหี่ยวเหลือเกินเฮ่อเหี่ยวใจเหี่ยวเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งโรคทางด้านร่างกายนั้นเราต้องให้หมอเขารักษาอย่างคนที่เป็นโรค ขอให้เป็นโรคแล้วก็ให้หมอบำบัดรักษาให้รักษาแต่สภาพจิตใจของเรานั้นเราจะแบ่งแยกออก ไ, ได้ไหมมีวันหนึ่งโยมเขาพาไปดูคนไข้หมอเขาดูไปพาไปดูคนไข้เป็นเอทเหมือนกันอยู่คันที่์สามไเห็นแล้วรู้สึกว่าก็เออก็น่าหน้ า, น, า น, นิหน้าสงสารก็เลยบอกว่าทางกายของเรานั้นเป็นโรค เราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีทางเยียวยา ร, รักษาแล้วโรคนี้รู้สึกว่าไม่มีทางเยียวยา ร, รักษาแล้วหมอเขาก็ทําสุดความสามารถแต่ที่นี้เรามีสิ่งที่เราจะรักษาของเราได้อยู่ก็คือการรักษาจิตใจของเราอย่าให้เป็นโรคด้วยร่างกายนั้นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่จิตใจของเรานั้นถ้าจิตใจเป็นโรครลุสึกมันยิ่งหนัก แต่ถ้าระวังชีวิตจิตใจของเราเข า, เาบอกว่าไหนๆก็จะตายแล้วไหนๆก็จะไปแล้วสร้างชีวิตของเราให้มีอยู่กับเห็นปกติสุขสักทีดีดีดีไหมจะดีไหมก็ถามเขาเขาบอกว่าน่าจะดีเพราะฉะนั้นว่าเรื่องร่างกายนั้นปล่อยให้หมอเป็นผู้ดูแลรักษาเรื่องจิตใจของเราเรารักษาของเราเองนี่ของเราเอง อย่าให้อารมณ์ต่างๆนี้มากระทบพอกระทบปุ๊บเราอย่าให้ไปไหลไปตามกับอารมณ์อย่าปล่อยให้ความชิดปรุงแต่งสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอะไรต่างๆทั้งหมดมาเป็นตัวกำกับชีวิตตัวช oh <yeah. S 1> ีวิตกิจของเหล่านี้ของเราอย่างที่เราสวดกันไปตอนเย็นเนี่ยอเนกชาติสร้างสร้างรังสั้งทายที่สร้างอนิพิชังเมื่อเรายังไม่พบญาณเราต้องเที่ยวไปในวสงสารทีนี้เมื่อไหร่เราจะหยุดนี่เหี่ยในช่างปลูกเดือนเราเห็นเจ้าเสร็จแล้ว จุดในช่างไม่ต้องให้ในายช่างปลูกเรือนสร้างบ้านสร้างเรือก็คือตัวอวิชชาตัวสตัวความอาตัวอวิชชาที่มันเกิดชักชวนให้เราไปในหลงทางในทางที่หลงนี่แหละดังนั้นที่เรามายกมือไอ้ส่วนนี้เพื่อต้องการที่จะปลุกสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกว่ามีสติสัมปชัญญะพอมีอารมณ์โกรธขึ้นมานี้ขึ้นมาก็รู้ว่าตัวมันโกรธ พอมือกาลังกํากําปั้นก็รู้ว่ามือกําลังกําปั้นพอมือกําลังจะเวียงเข้าปากจะใส่ปากเขาก็รู้สึกว่ามือกําลังเวียงติดปากเขาอันนั้นรู้สึกมันมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่รู้รู้ไปตามอารมณ์อันนี้รู้รู้ขาดเป็นตอนเป็นตอนอไปไม่ไม่ใช่รู้ตามอารมณ์เข้าไปนี่ก็ไปที่เราทําในขณะนี้ถ้ารู้เแือนั้นทุกคนก็รูก้กันหมดนี่กันหมดรู้ว่าโกรธแต่ว่าไม่สามารถที่จะระ ง, งับไอ้ส่วนโกรธในส่วนอารมณ์ส่วนนั้นออกไปได้นี่ไปได้ฮุก ที่เราเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการเป็นกระบวนการในการปล่อยรู้จักปล่อยอารมณ์รู้จักวางอารมณ์ของเรานี้ของเราไม่ใช่ให้เรายึดติดกับอารมณ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราก็เหมือนกันเราจะปล่อยให้มันเกิดตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดทตลอ ด, ลอดก็ไม่ไหวชีวิตหนึ่งของเรารู้สึกว่าเกิดขึ้นมารู้สึกว่าคนที่จะหาแสงสว่างให้กับชีวิตของตนเองดูบ้างนี่ดูบ้าง คนก็ใยว่าเมื่อการประพฤติปฏิบัติทุกคนเมือม่อได้ยินได้ฟังว่าวาจารย์เปิดงานอบรมปฏิบัติธรรมกันขึ้นนี้กันขึ้ น, นก็อยากจะมาอยากจะศึกษาแต่ดูดูก็คนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีแต่เก่านั้นอาจจะเก่าปีปเก่าเดือนก็ได้มาปฏิบัติธรรมเก้าปีสิบปี อาจจะเป็นปีเป็นเดือนนับปีนับเดือนก็ได้นี้ก็ได้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวกําหนดนะมาสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีจริงๆแล้วเราเร า, เราควบคุมอารมณ์ของเราได้บ้างขนาดไหนเราไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาบางบอกหรอกเรารู้จักตัวเราเองนี่เราเองอย่าให้ครูบาอาจารย์มารับรองให้เราก็ไม่ได้นี้ไม่ได้เพราะส่วนนี้เป็นส่วนในส่วนหนึ่งในในชีวิตของเหล่านี้ของเราเราควรที่จะให้ ตัวของเราตัวสติตัวปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบมอบความไว้วางใจให้กับตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นผู้นำพาชีวิตของเราไม่ใช่ไม่ใช่ม อ, มอบให้อวิชชาพาเราปานี่ไปตลอดตลอดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นว่าขบวนการตัวความรู้สึกตัวตัวนี้รู้สึกว่าฟังดูมันรู้สึกมันเรื่องง่าย ทำไมหลวงพ่อเทียนท่านหนึ่งว่าท่านถึงแนะนําสั่งนักสั่งนาว่าการปฏิบัติทำอะไรอย่าพยายามให้อยู่นิ่งเพราะเมื่อเรานิ่งรู้สึกว่าจิตของเรามันแป่งมันไปตามอารมณ์ไม่สามารถที่หยุดไม่สามารถที่จะถับกับอารมณ์กับกํากลังในส่วนนั้นท่านยังอุปมาว่ากับแมวกับหนูตัวสตินั้นเป็นแมวตัวความคิดนั้นคือหนูครั้งแรกมันอาจจะหนูอาจจะมีพลังกาลังมากนี่มาก แต่สัญชาตญาณของแมวก็ไม่กลัวหนูก็บตบปั๊บทันทีนี้ทันทีลากแมวไปใหม่ๆนั้นความรู้สึกตัวของเราอาจจะวางไม่ถูกที่ถูกทางปล่อยมันคิดสร้างจังหวะมือก็สร้างจังหวะาปปล่อยมันคิดสร้างเรื่องสร้างราวสร้างบ้านสร้างเรืองในอากาศไปไยสะดุ้งมาที่นึก่ก็เออไปแล้วกลับมาใหม่อันนั้นลักษณะของแมวที่ไม่มีกําลังหนูมีพลังมากที่มาก เพราะฉะนั้นว่าเราพยายามที่จะเอาความรู้สึกตัวคืออาหารนี้ให้แมวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพยายามอย่าไปสนใจกับความคิดแต่ไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นมานี่ขึ้นม า, า, น ม, ามาสนใจกับความรู้สึกตัวของเหล่านี้บางคนบอว่าท่านบอกให้เดินจงกรมทำความเพียรสร้างจังว่ายกมือไป ม, อ ม, มือมามีความรู้สึกตัวมันรู้สึกว่าตนเองกำลังคิดออกไปนน่นคิดออกไปมันก็มันก็ไม่ใช่ที่ในแต่คำพุการก็เหมือนกันมีคนเดินจงกรมจนเท้าแต่ ปล่อยให้ชีวิตจิตใจล่องลอยไปยตามกระแสของอารมณ์ก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ดังนั้นเรากลับมาทวนกระแสอย่างที่พุทธองค์เรียกว่าลอยลอยายถาดทวนกระแสในขณะนี้พวกเรากําลังลอยทวนกระแสนี้กระแสกระแสของอารมณ์กระแสแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราจะไม่ไหลไปตามกับมันไหลม า, มามากแล้วไหลไปตามกระแสของมันมากห้าสิบหกสิบปีเจ็สิบปีแล้วขนาดนี้ แล้วเมื่อไหร่เราจะเราจะประกาศความเป็นอิสระภาพความเป็นไทยของเราีิบ้างไม่ใช่ตะตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดนี่ตลอดสร้างจังหวะเหนื่อยมาคอตะกล้าหมากานมับเข้าใส่เดินยังกลมไปเดินยังกลมมายงผู้ชายก็เออมวนบุหรี่ทัดหน่อย ท่านบอกให้กลับไปลกลับไปที่พักแล้วไปมวลบุรีเจ้าหมากระยมนนะท่านก็มาในบอกท่านก็บอกว่าจะไปที่พักพยายามทําความรู้สึกตัวแม้แต่กรกตักอาหารมาให้มีความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวภาวนาความกับความรู้สึกตัวนะยมนะแต่สิ่งที่มันอยู่ใกล้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ แม้แต่พระเราก็เหมือนกันเป็นผู้นำในด้านศาสนาบางครั้งเมื่อขณะการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทธมบางสิ่งบางอย่างก็ยังเดินตามหลังโยมอยู่เพราะฉะนั้นว่าเรามีความสำนึกอยู่ตลอดว่าเราเกิดเริ่มบวชเข้ามาเรามีเรามบวชเข้ามาเพื่อต้องการศึกษาข้อวัดปฏิบัติ จะบวชช่วงระยะสั้นก็ตามระยะยาวก็ตามนี้ก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจเราล อ, ลองศึกษาลองคน้นฟ้าลองดูนี้ลองดูต่างคนต่างทําต่างคนต่างเก็บอารมณ์ของตอนของตอนไม่ต้องไปพูดไปคุยกันอะไรกันอันนี้อะไรพอเดินพอสร้างจังหวัดน้อยนะ้เป็นยังไงสร้างจังหวัดแล้วถามกันมือก็สร้างจังหวัดปากก็เข้าไปหากันถามข่าวถามข่าวกันเป็นยังไงบ้างเดิอนนี้ยังกมเหนื่อยไหมง่วงไหม ตาเดินยังเดินเท้าเดินจังกลมอยู่ทางตรงนี้แล้วก็ตาก็เหละไปดูคนนั้นดูคนนี้เออคนนั้นทําไมเขาไม่เดินทําไมเขาไม่สร้างจังหวะคนนั้นทําไมเขานั่งนั่งหลับตานั่งอยู่นิ่งๆอาจารย์ทําไมอาจารย์ก็บอกว่าให้สร้างจังหวะแต่ทําไมมานั่งหลับตาอยู่อทีท่านบอกว่าไปาไปทําความเพียนท่านไม่ไปบอกให้เป็นเบญญาไม่ดูจับจ้องดูคนอื่นสักหน่อยทําหน้าที่ไม่ค่อยถูกกัน ท่านบอกให้ไปปฏิบัติทําความรู้สึกตัวแต่เราไปดูคนอื่นซะหน่ดังนั้นญาติโยมผู้ที่มีความฝักใฝ่ในด้านการปฏิบัติเรื่องาศาสนาของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่อ่อนบอนเอานี้เอาไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนที่จะมาทําให้เราเรานี่แหละจะทําเป็นคนทําเองสร้างขึ้นมาเองตัวความรู้สึกตัวของเรานี้ก็ตัวของเราเองเป็นสร้างกันขึ้นมาทําขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราเล่าป้ายใจว่า พอปฏิบัติทำแล้วไหว้พระสวดมนต์ดีๆแล้วพระพุทธเจ้าหรือไหนจะเสด็จลงมาโปรดชี้ทางสว่างให้นี้ให้อันนั้นคือความชิดหรือแม้แต่อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ดังหน่อยนี่หน่อยก็เข้าเข้าไปใกล้ท่านแล้วคอยลองรับธรรมะของท่านจลนปุกป๊กปุก ป, กป๊กปุ๊กแล้วค่อยเ จ, เ, อเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาส่วนนั้นนี่ส่วนนั้นครั้งแรกที่เดินเข้าไปที่เข้าไปวัดโมกเหมือนกันปีนั้นหลวงพ่อเถียนก็จะมาษาอยู่ที่นั่น เดินจมกลมทางเดินจมกลมเห ira, มือนกับญาติโยมเดินอยู่นี้เนี่ยผู้ปฏิบัติก็เยอะญาติโยมก็เยอะพระก็เยอะเดินจมกลมทุกพอเข้าไปเลยซรึก็โอ้ยตายแล้วทางเดินจงเห็นทางเดินจมกลมของเขาเนั่ยคือแบบโอ้ยหมดแล้วธรรมะหมดแล้วพากันเียบไปหมดแล้วเราเราจะมาเจยบเอาอะไรเรามาปฏิบัติเราจะมาได้อะไรนี่อะไรเขาเอาไปหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วดูทางเดินจงกลมสิ เห็นรู้สึกว่าเออก็เอาความคิดเป็นตัวอารมณ์เอาความคิดเป็นตัวกํากับมันก็เลยมองไม่เห็นพอไปทางพอเข้าสู่ทางเดินจงกรมธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่ทางเดินจงกรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลตัวอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ที่เขาเดินจงกรมกันมากมนี่กันมากมันอยู่ที่การกระทําในขณะที่เราทําใครทําใครได้ใครทําใครรู้ใครทําใครเข้าใจใครไม่ทําก็ไม่เข้าใจ ความคิดมันเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ก่อนนี้เข้าใจว่าเออเราเข้าไปอยู่ ใ, ใกล้ๆแล้วจะได้รู้จักธรรมะกับท่านข อ, ของท่านบ้างนี้บ้างแต่พอเราขาดการปฏิบัตินี้แล้วเป็นส่วนทีชาวพุทธของเรานั้นพอพอบอกเอ้าเรียกว่าดีแต่ว่ายพอบอกให้พอปฏิทธทรรมปฏิพฤติธรรมมือกํำหูอะไรเขาว่ากันนะดี ชาวพุทธไทยเราดีแต่ว่าพอบอกให้ประพฤติทำมือกำมือปิดหูโอ้ไม่เลยไม่อยากจะไม่อยากจะได้ยินได้ฟังหรอกปิดหูวไว้เรื่องมรรคเรื่องผลนิพพานเนี่ยไม่อยากจะยังไม่อยากจะไปอยู่บนโลกนี้สนุกสนานกับโลกนี้ก่อนนี้ก็ก่อนเรื่องนิพพานแล้วไม่โอมันมันไม่สนุกไม่อยากจะได้ยินเมื่อเป็นแบบนั้นเขาเกลียด้าโยมไปําไปทําบุญสร้างบุญกันเถอะตายไปเราจะได้ไปสวรรค์สนุกสนานอยู่เมืองสวรรค์นู่น เขาก็เลยหลอกก็าล่อไปเนี่ไปว่าตายเขาไปทําบุญทำบูรสวนลงไปนี่ลงไปสนุกสนานกันไปนี่กันไปตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทาไมทําบุญแล้วก็ตกนรกนยมนะกลัวอันนั้นแหละเรื่องว่าศาสนาของเรายังไม่เข้าใจเรื่องศาสนาที่ว่าที่ควรทีนี้เรื่องศาสนาที่ท่านบอกทั้งว่าศาสนาก็คือตัวคนอันนี้คือคํำของหลวงพ่อเทียน ตัวคนคือตัวาศาสนาตัวพุทธศาสน า, าคือตัวสติตัวปัญญาที่เรารับรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะผัดอารมณ์ส่วนน้ํำดอกไปได้นี้ได้น้ำนั่นคือตัวพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสน า, าอยู่มีวัดวาอาลามมีประเทศเมืองไทยนั้นรู้สึกว่ามีวัดเป็นหมื่นๆวัดสำนักก็เป็นล้อเป็นพันเป็นหมื่นอาจจะเป็นหมื่นเหมือนกันนี้เหมือนกันเพราะปัจจุบันไีนนไ้สร้างง่ายเลยเกินสร้างวัดใครมีที่มีทางก็สร้างกันไปนี้ใครมีเงินมีทองก็สร้างลงไปนี้ลงไปโอ้ย สบายแต่วัดภายในวัดหิดวัดใจของเราในขณะนี้ยที่เรามาวัดอยู่ในขณะนี้ยเราวัดได้ขนาดไหนนี่ขนาดไหนไปถึงไหนพยายามวัดพยายามให้ยา ว, วัดให้มันยาวเกินไปนี่เกินไปก้องสอบยาวว่าหนาคืบนี้พยายามอย่าให้มันอย่าให้มันเหนือไปกลัวสิ่งเหนือกว่าสิ่งนี้เหล่านี้ให้มันอยู่นี้ ให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวตื่นตัวเดินจงกรมทําความเพียรก็เหมือนกันอันนี้เรามันที่จะเข้าใจเข้าใกล้ของศาสน า, ศาพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเข้าใกล้พุทธศาสน า, ศาแล้วไปอยู่เมืองอินเดียไปอยู่เมืองใน ป, ประเทศอินเดียแล้วไปนู้นใครไปเ ห, เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแฉกําเนิดของพระพุทธเจ้าที่อวสองพระพุทธเจ้าขึ้นมาไปกราบต้นโพต้นลายต่างๆแล้วก็ไปเอาอะไรใบโพที่เขาเอาเก็บมาขายมาแ ก, กมาจ่ายกันไปนี้กันไปให้เป็นศรีมงคล มันจะเป็นได้ยงไงเป็นสีมงคลกับใบโพถ้าตัวของเราไม่เป็นมงคลตัวของเราไม่เห็นชีวิตอิตจฉาของตนเองนีต่ตนเองก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมงคลส่วนนี้แหละเป็นมงคลตัวนี้แหละคือตัวสติตัวปัญญาตัวนี้มันครอบจั ก, กรวาลไปหมดเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรณา์มากสองอย่างสติความรู้ไดนะสติความสัมปชัญญะความรู้ตัวทุกหมวดทุกเหล่าแต่เราไม่ค่อยไม่เคยใส่ใจไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านี้ สนใจแต่เรื่องอิทธิฤทธิเรื่องปฏิหารนู้นถ้าใครพูดออกเรื่องเรื่องลี้รับมหัศจรรย์ต่างๆโอ้ไปเห็นดวงเดือนดวงดาวเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนั้นเห็นนัต่างๆก็ไปหูพึ่งเลยอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าอญาติญาติญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเป็นยังไงนี่ยังไงตกทุกข์ได้รับกรรมลาบากยังไงนี่ยังไง พอพระท่านบอกว่าเออมื่อคืนนี้ฝันฝันเห็นโยมคนนั้นคนนั้นตายไปเ อ, อ้วคนนั้นก็ตายไปแล้วนี่ต่แล้วเออทังนั้นกต่ทำบุญุทติส่วนกุศลไปให้เขาหน่อยนี้เขาหน่อยผลสุดท้ายหลวงพ่อก็เอาไปกินมดไม่รู้ถึงไม่ถึงในขณะที่เราทำในขณะ น, นี้ทำไมเราจะไม่รู้เคลื่อนไหวในขณะ น, นี้ทำไมจะไม่รู้ สัมผัสอยู่ขนานี้ทําไมจะไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าคนไม่มีหัวจิตหัวใจเสช้แล้วล่ะอาจารย์นิมนก็เตรียมไม้ปืนไว้เลยเอาเก็บไปเผาให้หมดเลยไม่ต้องเก็บเอาไว้เบืองข้าวเนอะเรื่องของตนเองไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักของตนเรื่องของตนเองนี่เป็นสนแท้ในเรื่องคนอื่นมันก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าคนเราดันหูสองข้างนี้ก็ซึ่งว่าเรื่องของตนเองไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เท่าไหร่แม้แตตาก็เหมือนกัน ค่อยแสหารเรื่องหรือเขายินเขาคุยกันมาเออเขาคุยเรื่องอะไรนี่อะไรตาก็เหมือนกันเขาเขาเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้เรื่องของคนอื่นนั้นรู้สึกว่าใส่ใจกันมากเหลือเกินนี่เหลือเกินแต่เรื่องของตนเองนั้นรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อ ส, ใสนใจกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเอาแต่ปัญหาของคนอื่นมาเป็นตัวเป็นตัวกำกับเ ป, เป็นตัวอารมณ์ของตนเองตนเองสร้างแต่ปัญหาเอาปัญหาของคนอื่นทั้งทั้งที่ปัญหาของตนเองก็มีมากอยู่แล้วนี่อยู่แล้ว แบกปัญหาคนอื่นด้วยแบกปัญหาเขาตนเองด้วยแล้วกลายเป็นพลาฮะาเวปัญจากขันทาขันตั้งห้าเป็นของหนักเดินขันห้าเขาตนเองก็หนักอยู่พแรงเอพอพอสหัสะกันอยู่แล้วนี่อยู่แล้วแบกของคนอื่นบ้างนี้บ้างแบกความคิดแบกคำพูดของคนอื่นแบกคอนดีชิ้นอินท่าของคนอื่นบ้างแล้วก็แบกไปทําไมเหมือนอย่างที่เราว่ามันทุกทุกคนก็รู้ว่ามันทุกนั่งนา น, น, านก็เป็นทุกนี่ก็ทุกเจ็บหัวปวดท้องก็เป็นทุก รู้กันทั้งหมดทีทั้งหมดความโรคความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์แต่ไม่ยอมละปล่อยให้ความทุกข์ส่วนนี้รู้สึกมันย่ํายีอยู่ตลอดเกิดขึ้นมาทีไรรู้สึกมันย่ํายีกิจใจของเรามาต ล, ตลอดนี่ตลอดรู้ว่าส่วนนี้มันเป็นทุกข์ทำไมไม่กําจัดมันออกไปซะเนี่ยวิธีการอุปกรณ์ในการกําจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านเขาชี้บอกที้แนะแนะนําให้แล้วเนี่ยแล้วการยกมือไปเอามือมายกมือเข้าเอามือออก มีความรู้สึกตัวตื่ตัวกันอัตมาเชื่อมั่นและการกระทําแบบนี้รู้สึกมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจของคนเราจริงๆนี่จริงๆเมื่อก่อนก็คิดว่าโ น, น่นแหละเมืองสวรรค์ก็อยู่เมืองบนฟ้านั่นแหละนรกก็อยู่ในใต้ดินนู้นแต่พอมาเข้าใจส่วนพอมาทําความรู้สึกตัวส่วนนี้รู้สึกว่ามันเข้าใจว่าเออเมืองสวรรค์คือจิตใจที่ปล่อยวางมีจิตใจที่เป็นปกติไอเมืองนรกนั่นคือจิตใจที่มันหนักเอื้อยอยู่ตลอดภายในจิตใจของเรานี้ของเรานั่นแหละคือเมืองนรก ไม่ต้องไปหาที่ใต้ดินหรอก